โดยอาศัยระบบของชีวิตหรืออาศัยกรรมพันธุ์เมื่อเราพิจารณาเห็นวิญญาณในต้นไม้เช่นนี้แล้วข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพยายามมองให้เห็นว่าสมรรถภาพในการสร้างสารรค์ของวิญญาณก็คือวิบากของกรรมเหมือนอย่างที่เราหัดพูดความสามารถในการพูดก็ค่อยๆมีขึ้นและมากขึ้นโดยลาดับ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 ข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าอย่าได้เอาคําว่าธรรมชาติมาใช้อย่าไปพูดว่าธรรมชาติได้สร้างให้มันเป็นมาอย่างนั้นธรรมชาติช่างมีความสามารถอย่างเหลือเกินความคิดหรือคําพูดในทนองนี้อย่าได้นําเอามาใช้เป็นอันขาดขอให้ท่านพิจารณาดูว่าต้นไม้ถับปลูกในที่ร่มมันก็จะต้องเอ็นไปหาที่สว่างเพื่อที่จะได้รับแสงแดดการที่มันเอ็งไปได้เช่นนั้น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 การกระทาที่กล่าวนี้เราจึงเรียกได้ว่าเป็นกรรมคือเป็นการกระทาที่มีความหมายเป็นการกระทาที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อมีการกระทาเกิดขึ้นผลแห่งการกระทาที่เป็นนามธรรมก็ย่อมต้องมีนั่นก็คือสมรรภาพต่างๆที่เกิดขึ้ น, มนเมล็ดผลไม้เมื่อเราเอาไปเพาะหรือมันได้รับดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมมันก็จะออกราก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 จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นจริงๆแต่สำหรับในเรื่องนี้ต้องพิจารณาดูรายละเอียดด้วยคนที่มีพื้นมาดีเคยรู้เคยเข้าใจในเรื่องนั้นมาบ้างแล้วก็ยอมจะเรียน เ, ยเร็วกว่าคนที่มีพื้นมาไม่ดีแต่ถ้าพื้นเดิมเท่าเท่ากันก็ต้องใช้เวลาเท่ากันจึงจะมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวกันจำพวกพืชหรือสัตว์ต่าง